การยอมรับความจริงกับการนิ่งดูใดายจะหมดทุกต้องฝึกยอมรับความจริงการยอมรับความจริงคือการไม่ฝืนธรรมชาติแต่ระวังอย่าให้การยอมรับความจริงกลายเป็นการนิ่งดูใดโลกไม่ตามใจเราเมื่อเราพอใจความเย็น แต่โลกพอใจใครความผ่าวร้อนทางเดียวคือทาใจยอมรับและเตรียมกายสู้ไอร้อนความเจ็บปวดเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของชีวิตเกิดจากเหตุปัจจัยเป็นธรรมดาเมื่อเหตุปัจจัยหมดแรงให้ผลแล้วความเจ็บปวดย่อมหายไปเป็นธรรมดาอาการคิดต่อไม่อยากยอมรับความเจ็บปวดต่างหากที่เป็นเรื่องฝืนธรรมชาติยิ่งฝืนนานขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งทุก์ยืดเยื้อขึ้นเท่านั้นนั่นเพราะมีเหตุมีเชื้อเพลิงคอยเติมให้ไฟทุกข์ลุกโผลไม่ยอมหายไปสักทีราวความเจ็บปวดจะเป็นอมตะฉะนั้นใครรู้วิธีกำจัดอาการไม่ยอมรับความจริงออกไปจากชีวิตได้ความรู้สึกย่อมกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเห็นธรรมชาติใดเกิดจากเหตุปัจจัยเป็นธรรมดาเมื่อเหตุปัจจัยหมดแรงให้ผลแล้ว ก็ยอมหายไปเป็นธรรมดาไม่ยืดเยดื้อไปกว่านั้นตามหลักการเจริญสติของพระพุทธเจ้าท่านนียอมรับสิ่งที่ยอมรับได้ง่ายที่สุดก่อนครับและในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรยอมรับง่ายเท่าลมหายใจเข้าออกอีกแล้วหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้เมื่อรู้ได้เรื่อยๆ ก็แปลว่าเก่งในการยอมรับความจริงอันเป็นปัจจุบันขึ้นเรื่อยๆเช่นกันเมื่อดูไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสมาธิเห็นว่าเข้ามาแล้วก็ออกไปเดี๋ยวให้ใจยาวแล้วก็สั้นลงไม่แน่นอนใจจะเริ่มยอมรับความจริงขั้นพื้นฐานได้ไม่ยอมรับความจริงต่อหน้าต่อตาได้ก็ยอมรับความจริงอื่นๆที่เหลือได้และเห็นว่าไม่ยากนัก ถ้าจะพูดให้ตรงกับความจริงและปรากฏตัวอยู่กับความจริงด้วยความสุขกายสบายใจ <_ an> เปลี่ยนให้ดูแค่ไหนก็ยอมรับไปแค่นั้นไม่ใช่จมอยู่กับความไม่ได้อย่างใจไปตลอดชีวิตอย่างสูญเปล่าทิ้งเหตุให้จิตเศร้าหมอง <_ an> เช่นสาใจกับการย้ำคิดย้ำตรึกนึก สร้างเหตุให้จิตสดใสเช่นคิดอภัยคิดเลิกราและใส่เหตุให้จิตเบิกบานบริสุทธิ์คือคิดยอมรับตามจริงจิตแย่ก็ยอมรับว่าแย่จิตสว่างขึ้นนิดหนึ่งก็ยอมรับว่าสว่างขึ้นนิดหนึ่งจิตคลายก็ยอมรับว่าจิตคลายจิตกลับมาแย่อีกก็ยอมรับว่าแย่อีก เท่านี้แหละสติก็เกิดขึ้นและค่อยๆผูกกันเป็นแพ้กุศลทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ระลึกด้วยว่าการยอมรับความจริงแตกต่างจากการนิ่งดูดยพยายามดีที่สุดได้แค่ไหนค่อยยอมรับแค่นั้นอย่าเพิ่งด่วนยอมรับสภาพทั้งที่ยังไม่พยายามทำอะไรให้ดีขึ้นนะครับ เราจะได้เจอความจริงที่ดีที่สุดหลังจากทำดีที่สุด